รายการธรรมสาระต่อไปนี้ขอเสนอหนังสือเสียงจากเรื่องโรคทิพภาคสองซึ่งหนังสือนี้อาจารย์สิริพุดสุกได้แปลจากฉบับภาษาอังกฤษชื่อ More About Life in the World unseen ซึ่งเป็นการบรรยายถึงเรื่องราวต่างๆของบุคคลที่ตายไปแล้วโดยผู้บรรยายคือมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียได้จดบันทึกจากคำบอกเล่า ของท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันเพื่อนของท่านซึ่งได้ตายไปหลายปีมาแล้วซึ่งในการพิมพ์หนังสือนี้อาจารย์พรรัตนสุวรรณผู้จัดพิมพ์ได้กล่าวถึงหนังสือนี้ไว้ในคำนำดังต่อไปนี้โลกที่ภาคสองเป็นข้อความที่ขยายเพิ่มเติมจากภาคหนึ่งและเป็นเรื่องที่อ่านเข้าใจง่ายกว่าภาคหนึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่า ใครก็ตามถ้ามีทุนในอันที่จะเชื่อเรื่องนี้อยู่บ้างอ่านแล้วจะวางไม่ลงเพราะเรื่องราวในภาคนี้จะทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตในโลกทิพย์เป็นชีวิตที่น่ารื่นรมยิ่งกว่าในโลกมนุษย์หลายเท่าซึ่งก็สมจริงดังที่พระพุทธเจ้าได้ดตรัสไว้ว่าบุคคลที่ได้ประกอบคุณธรรมความดีไว้ย่อมบันเทิงใจในโลกทั้งสองคือบันเทิงใจในโลกนี้ เมื่อละจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมบันเทิงใจในโลกหน้าอีกและทุกครั้งที่นึกขึ้นมาว่าเราได้ประกอบคุณธรรมความดีอันนั้นอันนี้ไว้จิตใจก็ย่อมผ่องใสเบิกบานคนที่ได้ประกอบคุณธรรมความดีไว้ในเมื่อไปสู่สวรรค์คือไปอยู่ในภูมิสวรรค์ของโลกโอปปาติกะก็ย่อมจะบันเทิงใจยิ่งกว่าในโลกมนุษย์อีกหลายเท่า ข้อความที่เป็นพุทธพจน์ดังที่กล่าวมานี้เราจะเห็นจริงก็ต่อเมื่อได้อ่านหนังสือโลกทิพย์ภาคหนึ่งและภาคสองเมื่อแรกอ่านใหม่ๆก็อาจจะไม่ค่อยเชื่อแต่ถ้าอ่านดูหลายๆเที่ยวสักวันหนึ่งก็ต้องเชื่อขึ้นมาอย่างสนิทใจคนที่จับหนังสือโลกทิพย์แล้ววางส่วนมากเป็นเพราะขาดความรู้ในเรื่องวิญญาณโดยเฉพาะก็คือไม่เข้าใจพุทธพจน์ที่ว่า มโนโคือวิญญาณเป็นรากฐานของสิ่งทั้งหลายวิญญาณประเสริฐกว่าสิ่งทั้งหลายสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณสิ่งทั้งหลายสำเร็จมาแต่วิญญาณคำพูดประโยคนี้สำคัญมากเพราะถ้าเข้าใจพุทธพจน์อันนี้อย่างลึกซึ้งเราก็จะเข้าใจได้ไม่ยากเลยว่าทําไมพวกอุปปฏิกะทั้งหลายจึงมีความเป็นอยู่อย่างนั้นทุกอย่างสำเร็จมาแต่ใจ พุทธพจน์อันนี้เราจะเห็นได้ชัดในโลกของโอปะปะติกะแต่ในโลกของมนุษย์เราที่จริงก็เห็นได้ชัดแต่เพราะเหตุที่คนส่วนมากไม่เคยคิดในแง่นี้จึงมองไม่ค่อยเห็นและสิ่งที่เป็นอุปสรรคอย่างยิ่งที่ทําให้ไม่เข้าใจในเรื่องนี้ก็คือคนทั้งหลายจะเชื่อว่าสิ่งใดมีอยู่ก็ต่อเมื่อตนเองเคยเห็น หรือว่าเคยได้รับสัมผัสทางประสาททางใดทางหนึ่งมาแล้วเท่านั้นเขาไม่เข้าใจว่าความรู้หรือความจริงที่อยู่นอกเหนือจากประสาทสัมผัสนั้นยังมีอยู่อีกมากมายเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไปปากใจเชื่อทฤษฎีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆเท่าที่ประสาทของเราจะพึงบอกให้แล้วความรู้ของคนเราก็แคบมากและนั่นไม่ต้องสงสัยเลยว่า จะก่อให้เกิดการเข้าใจผิดอย่างมากมายสักเพียงไรเราไม่ค่อยจะรู้สึกกันในเรื่องนี้และโดยเฉพาะก็คือเราไม่เข้าใจกันว่ากฎทั้งหลายไม่จำเป็นจะต้องเหมือนอย่างที่เราเข้าใจเสมอไปปลาที่อยู่ในน้ำกับสัตว์ที่อยู่บนบกก็ยังมีอะไรแตกต่างกันมากมายกฎเกณฑ์ก็ต่างกันถ้าหากว่าปลาที่อยู่ในน้า คิดอยู่แต่ภายในขอบเขตเท่าที่ตัวเองรู้ในฐานะเป็นสัตว์น้ำเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามีใครเอาเรื่องบนบกมาเล่าให้ปลาฟังปลาก็ไม่อาจจะเชื่อไม่อาจจะเข้าใจได้ในทํานองเดียวกันคนที่รู้แต่เรื่องของวัตถุไม่รู้เรื่องนามาธรรมอย่างลึกซึ้งเมื่อเอาเรื่องของพวกโอเปอริกมาเล่าให้ฟังจึงไม่อาจจะเข้าใจได้แต่อย่างไรก็ดี ข้าพเจ้าได้ตั้งใจเอาไว้ว่าจะพยายามหาทางอธิบายให้ผู้ที่ได้อ่านหนังสือโลกทิพย์เข้าใจถึงข้อสงสัยต่างๆซึ่งการอธิบายนั้นจะพยายามใช้ภาษาอย่างธรรมดาเขียนให้อ่านเข้าใจง่ายและการอธิบายก็จะอาศัยหลักในคัำพีของพระพุทธศาสนาทั้งหมดการอธิบายแบบนี้จะทําให้ผู้อ่านรู้สึกว่าถ้าเรื่องโลกทิพย์ไม่จริง แต่เหตุเช่ไหนเรื่องที่เขาเขียนขึ้นนั้นจึงมาตรงกับหลักในทางพระพุทธศาสนาและสามารถอธิบายได้ด้วยหลักของพระพุทธศาสนาเพราะทั้งผู้เขียนคือนายแอนโทนีบอร์เจียและผู้บอกคือท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันทั้งสองคนนี้เป็นคนนับถือคริสต์ศาสนาเรื่องอะไรที่เขาจะมาเขียนแย้งหลักศาสนาของตัวเองแต่เพราะเหตุที่คนเหล่านี้เคารพความจริง ในเมื่อเขารู้ความจริงในเรื่องโลกทิพย์ว่าเป็นอย่างไรเขาก็จําเป็นจะต้องมาบอกตามที่เป็นจริงแม้ว่าคำบอกเล่านี้จะขัดแย้งกับหลักในทางคริพุทศาสนาก็ตามอันนี้ผู้อ่านก็ควรจะถือเป็นข้อสังเกตไว้ด้วยและอีกอย่างหนึ่งอาจจะมีบางคนคิดว่าในแอนโทนีบอร์เจียเป็นคนที่ได้เคยเรียนทางพระพุทธศาสนามาแล้ว เขาได้เขียนเรื่องนี้มาจากจินตนาการที่ได้มาจากหลักในพระพุทธศาสนานั่นเองไม่ได้เขียนขึ้นตามคำบอกเล่าของโอปปติกะเพราะเรื่องที่ว่านี้เป็นไปไม่ได้บางคนอาจจะเข้าใจอย่างนี้แต่ข้าพเจ้ามีเหตุผลอย่างอื่นที่ทำให้เชื่อว่าเรื่องที่นายแอนโทนีเขียนเกี่ยวกับโลกทิพย์นี้เป็นเรื่องจริง ก็พระขปรเจ้าได้พบโอปปปฏิกะบางคนที่เกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องนี้แล้วได้สอบถามเข้าดูก็ปรากฏว่าโอปปปฏิกะทั้งหลายที่มีกล่าวอ้างไว้ในหนังสือโลกทิพนั้นมีตัวจริงอยู่ทั้งสิน้นเนื่องจากขาปรเจ้ามีทางที่จะทดสอบได้และอีกประการหนึ่งขปรพเจ้าเข้าใจเรื่องวิญญาณเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นขปเจ้าจึงเชื่อสนิทว่า สภาพแห่งโลกทิพย์โดยหลักใหญ่ๆก็เป็นเหมือนกับที่ในหนังสือโลกทิพย์ได้กล่าวไว้แต่ทั้งนี้ท่านผู้อ่านจะต้องไม่ลืมว่าข้าพเจ้าไม่ได้มีความเห็นพ้องต้องการหมดทุกอย่างกับความคิดเห็นของท่านโรเบิร์ตฮิวเวนสันและของโอปปอติกาอื่นๆที่กล่าวไว้ในหนังสือเล่มนี้ทั้งนี้พระตัวละครที่มีอยู่ในหนังสือเล่มนี้ แต่ละคนยังไม่ใช่เป็นผู้รู้แจ้งในเรื่องของตัวเองโดยตลอดยังมีความเข้าใจผิดอีกหลายอย่างและเท่าที่ท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันได้เล่ามานั้นบางอย่างก็เกิดจากความเข้าใจผิดของเขาเองและนายแอนทโทนีก็ได้บันทึกไปตามคำบอกเล่าของท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันหมดทุกอย่างตัวอย่างเช่นข้อความบางตอนก็แสดงให้เห็นว่า ท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันยังเชื่อว่ามีพระผู้เป็นเจ้าแต่เชื่อว่าพระผู้เป็นเจ้าจะทรงสร้างเฉพาะในสิ่งที่ดีๆเท่านั้นและเข้าใจว่าตนเองและใครๆก็ตามที่อยู่ในโลกของโอปปอราสิกะแล้วจะไม่มีการตายอีกจะไม่มีการพลาดพลาดจากกันอีกนี่คือความเข้าใจผิดของท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันแต่ความเข้าใจผิดในธรรนองนี้ ก็ได้มีกล่าวไว้ในคำภีพุทธศาสนาเหมือนกันและพระพุทธเจ้าก็ได้เคยเสด็จไปแก้ความเข้าใจผิดให้กับพวกโอปปติกะมาแล้วไม่น้อยรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้จะหาอ่านได้จากเรื่องพรหมชาลสูตรในพระไตรปิฎกเล่มที่9เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงไม่ถือความบกพร่องในทำนองนี้มาเป็นข้ออ้างว่าเรื่องโลกเทปเป็นเรื่องนิยายไม่ใช่เรื่องจริง หนังสือโลกทิพย์ภาคสองซึ่งอาจารย์ศรีพุทธสุกเป็นผู้แปลนี้เป็นหนังสือที่มีคุณค่าสูงมากทั้งนี้ก็โดยเหตุสองประการคือ 1. เนื้อเรื่องในต้นฉบับเดิมคือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหนังสือมีคุณค่าอยู่แล้ว 2. ผู้แปลเป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษในสภ า, าการศึกษามหมามกุฏราชวิทยาลายัยซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยทางพุทธศาสนา และเป็นมานาธิการหนังสือวรารสารพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลกภาษาอังกฤษชื่อ The World f e l l o w s h o p h i s t News Bulletin ผู้แปลเป็นผู้ที่แตกฉานในภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นการแปลจึงเป็นที่ไว้ใจได้และแปลอย่างชนิดที่ต้องการให้คนไทยอ่านแล้วรู้เรื่องและเข้าใจเหมือนกับผู้แปลเองด้วยเหตุนี้ การแปลจึงสามารถถอดออกมาเป็นสำนวนภาษาไทยได้อย่างน่าฟังและตามความรู้สึกของข้าพเจ้าเท่าที่อ่านเทียบกันดูจากต้นฉบับที่เป็นภาษาอังกฤษรู้สึกว่าแม้แต่คนที่รู้ภาษาอังกฤษดีซึ่งถ้าหากท่านไม่เข้าใจเรื่องโลกทิพย์อยู่บ้างแล้วก็ยากที่จะถอดความหมายออกมาได้อย่างไพเราะเช่นนั้นเพราะฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงขอชมเชยอาจารย์สิริพุทธสุขได้ความจริงใจอันหนึ่งข้าพเจ้าในฐานะเป็นผู้ก่อตั้งสำนักค้นคว้าทางวิญญาณขอขอบคุณอาจารย์สิริพุทธสุขไว้ณที่นี้ด้วยที่ได้มอบฤกษ์เศษฉบับที่แปลออกมานี้ให้กับสำนักค้นคว้าทางวิญญาณทางนี้ด้วยเจตนาที่เป็นกุศลเพื่อจะให้เรื่องโลกทิพย์แพร่หลายไปยังหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง เท่าที่สามารถจะเป็นไปได้และอีกอย่างหนึง่งอาจารย์สิริมีความคิดเห็นว่าเรื่องราวต่างๆในโลกทิพนั้นมีปัญหามากมายที่ทำให้ไม่น่าเชื่อและในเมื่อคนอ่านเกิดความสงสัยอะไรขึ้นมาทางสำนักแห่งนี้ก็สามารถให้คำตอบได้ซึ่งจะทำให้ค่าของหนังสือนี้ยังคงอยู่ต่อไป อาจารย์สุริกับข้าพเจ้ามีเจตนาเป็นการกุศลร่วมกันที่ต้องการจะให้ความเชื่อและความเข้าใจเกี่ยวกับโรคที่แพร่หลายกว้างขวางออกไปแล้วโรค ก, ก็จะดีขึ้นด้วยความมุ่งหมายดังที่กล่าวมานี้ข้าพเจ้ากับอาจารย์สุริจึงได้ร่วมมือกันพิมพ์ผลงานประเภทนี้ออกมาซึ่งไม่ใช่มีเพียงเท่าที่ท่านเห็นอยู่นี้เท่านั้น แต่ยังจะมีผลงานอื่นๆอีกหลายอย่างออกมาเรื่อยๆดังนั้นผู้ที่สนใจต่อ ง, งานค้นคว้าในด้านนี้ก็ขอได้โปรดติดตามต่อไปพรรัตนสุวรรณ20มิถุนายน 2,509 ต่อไปนี้เป็นคำนำของมิสเตอร์แอนโทนีบอร์เจียผู้จดบันทึกความรู้เป็นยาขจัดความกลัวขนาดวิเศษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมื่อความกลัวนั้นเกี่ยวกับสภาวะแห่งชีวิตอันเป็นไปได้จริงๆหลังจากที่เราได้เปลี่ยนจากสภาวะแห่งชีวิตของโลกนี้ไปแล้วการที่เราจะทราบได้ว่าโลกหน้ามีสภาพเป็นอย่างไรนั้นก็ต้องถามผู้ที่กำลังอาศัยอยู่ในโลกนั้นและแล้วบันทึกข้อความเหล่านั้นไว้ หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นมาได้ก็โดยความประสงค์และวิธีการดังกล่าวนั้นท่านผู้ที่มาติดต่อกับข้าพเจ้าซึ่งเป็นผู้บอกให้จดบันทึกเรื่องนี้ไว้นั้นได้เริ่มรู้จักกับข้ า, เขาพเจ้าเมื่อปีคริสตศักราช1909หรือพุทธศักราช2452ซึ่งเป็นเวลาก่อนที่ท่านจะผ่านเข้าไปสู่โลกทิป5ปี ท่านผู้นี้มีชื่อว่ามองซินยอโรเบิร์ตฮิวเบนสันเป็นบุตรของท่านเอ็ดเวิร์ดไวท์เบนสันผู้มีตำแหน่งเป็นท่านอาร์บิชอปน่าจะเทียบเท่าพระราชาคณะหรือสมเด็จชั้นเจ้าคณะแห่งแคนเทอร์เบอรีองค์กรในระยะแรกก่อนข้าพเจ้าจะได้จดบันทึกเรื่องนี้ลงนั้นท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันยังไม่ได้มาติดต่อกันเลย แต่ได้มีวิญญาณที่ข้าพเจ้าคุ้นเคยกันมาก่อนแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบว่าท่านมีกิทธุระบางอย่างเกี่ยวกับการแก้ไขความเข้าใจผิดที่มีอยู่แต่เดิมความจริงท่านเองก็ได้ทราบมาแล้วเหมือนกันว่าการติดต่อกับโลกมนุษย์ในเรื่องเช่นนี้เป็นการยากลำบากเพียงไรแต่ท่านก็ยังไม่ยอมละความพยายามดังนั้นหลังจากนั้นต่อมาอีกระยะหนึ่ง ท่านฮิวเบนสันก็ได้รับคำบอกเล่าว่าบัดนี้ถึงเวลาอันสมควรแล้วที่ท่านจะติดต่อกับโลกมนุษย์โดยผ่านทางเพื่อนเก่าคนหนึ่งของท่านเองและข้าพเจ้าคือผู้ที่ได้รับเลือกให้เป็นสื่อกลางสําหรับการติดต่อครั้งนี้โดยได้ทำหน้าที่เป็นผู้จดบันทึกโดยตลอดเราทั้งสองเป็นเพื่อนเก่ากันมา และการที่ท่านฝ่ายหนึ่งได้ละจากโลกมนุษย์ไปสู่โลกทิพย์ก็ไม่ได้ทําให้มิตรภาพของเราขาดศูนย์ไปแต่ประการใดตรงกันข้ามมิตรภาพของเรากลับแน่นแฟนยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะเราได้มีโอกาสพบปะ ก, กันมากกว่าที่เราจะพึงกระทําได้ซสยอีกซึ่งถ้าหากท่านยังคงอยู่ในโลกมนุษย์เราจะไม่มีโอกาสพบปะ ก, กันมากถึงเช่นนี้ ท่านโรเบิร์ตฮิวเบนสันได้แสดงความยินดีอยู่บ่อยๆในการที่ท่านสามารถกลับมาสู่โลกมนุษย์ได้และด้วยวิธีการอันเป็นปกติธรรมดาและน่าเพลิดเพลินอย่างยิ่งด้วยวิธีนี้เองท่านได้กลับมาเล่าถึงเรื่องต่างๆที่ได้ประสบมาด้วยตนเองให้มิสหายฟังและที่สำคัญที่สุดก็คือได้มีโอกาสแสดงให้ชาวโลกมนุษย์ทราบได้ว่า แม้ท่านจะถูกมนุษย์ถือว่าเป็นคนตายแล้วก็ตามแต่ท่านก็ยังพูดได้เหมือนคนเป็นคือคำกล่าวที่ว่าคนตายพูดไม่ได้นั้นไม่ได้เป็นความจริงเสมอไปเรื่องโลกทิพย์ภาคสอง more about life in the world unseen บทที่หนึ่ง การตายแล้วเกิดดูดหลับแล้วตื่นตอนหลับบัดนี้ก็เป็นเวลาได้กว่า40ปีแล้วนับตั้งแต่ข้าพเจ้าได้มีชีวิตใหม่หลังจากการแตกทำลายแห่งกายเนื้อเป็นต้นมาสภาพของชีวิตในโลกทิพนี้มีความกว้างใหญ่ไพศาลชนิดที่ท่านจะนึกไม่ถึงทีเดียวแต่ความกว้างใหญ่ไพศาลของชีวิตดังกล่าวมาแล้วนั้น ขอให้ท่านเข้าใจไว้ด้วยว่าหาได้มีความซับซ้อนยุ่งเหยิงดังสภาพของชีวิตในโลกมนุษย์ไม่ความจริงแล้วชีวิตในโลกทิพย์เป็นของที่ง่ายๆหรือซิมเพิลอย่างเหลือเกินเมื่อเทียบ ก, กันกับในโลกมนุษย์เรื่องเช่นนี้อาจเป็นของยากที่จะเข้าใจแต่ข้าพเจ้าก็ต้องขอยืนยันว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆห่างจากบ้านของข้าพเจ้าไปไม่ไกล มีอาคารใหญ่หลังหนึ่งตั้งอยู่ในตัวเมืองอาคารนี้เป็นสำนักงานใหญ่สำหรับเก็บทะเบียนประวัติต่างๆและเป็นที่สำหรับสอบถามข้อความต่างๆด้วยอาคารนี้จึงเป็นขุมคลังของความรู้นานานประการในอาคารนี้มีอยู่แผนกหนึ่งที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับมรณกรรมของบุคคลในโลกมนุษย์โดยเฉพาะคือเป็นที่สาหรับแจ้งให้ทราบว่า มนุษยนน์นั้นจะถึงกำหนดหมดอายุไขและจะต้องผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์เมื่อใดเนื่องจากงานส่วนหนึ่งของข้าพเจ้าคือการเป็นเจ้าหน้าที่พาบุคคลจากโลกมนุษย์มาสู่โลกทิพย์โดยไม่เลือกเพศวัยและศาสนาใดๆข้าพเจ้าจึงต้องเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่แผนกนี้บ่อยๆผู้ที่ทํางานร่วมกับข้าพเจ้าก็มีเอ็ดวินและรูดแต่ในระยะหลังนี้ บางครั้งเอ็ดวินก็ไม่ได้ร่วมงานกันคงมีแต่รูธผู้เดียวซึ่งได้ร่วมทางกับข้าพเจ้าเสมอเกือบทุกครั้งท่านอาจจะประหลาดใจว่าข้าพเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าจะต้องไปรับวิญญาณใครเมื่อใดเรื่องนี้ไม่ใช่ของยากแต่อย่างใดเลยข้าพเจ้าและรูธเพียงแต่ไปแจ้งความจำหนงไว้ที่สำนักงานนี้ว่าบัดนี้เรากำลังว่าง และพร้อมที่จะรับช่วยเหลืองานดังกล่าวต่อจากนั้นเมื่อใดที่มีเรื่องเกิดขึ้นเราก็จะได้รับการแจ้งให้ทราบในทันทีส่วนการที่เจ้าหน้าที่ในสำนัก ง, งานนี้จะทราบได้อย่างไรว่าบุคคลหนึ่งบุคคลหนึ่งจะถึงกำหนดมรณะ ก, กรรมเมื่อใดนั้นย่อมอยู่นอกเหนืออำนาจของเราที่จะลวงรู้ได้ในขณะนี้ณนะเวลาที่กล่าวถึงนั้นข้าพระเจ้าและรู้ กำลังนั่งอยู่ด้วยกันในบ้านของข้าพเจ้าก็พอดีมีข่าวว่าเราได้รับมอบหมายให้ไปรับวิญญาณของคนคนหนึ่งเราจึงออกเดินทางไปยังอาคารสำนักงานใหญ่ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นทันทีในทัศนะของชาวโลกมนุษย์บุคคลที่ตายโดยปกติธรรมดาคือไม่ได้ตายโดยอุบัติเหตุรายหนึ่งกับอีกรายหนึ่งหรือรายอื่น ก็คงไม่มีความแตกต่างกันเท่าใดนักเพราะความสามารถของตาเนื้อมีอยู่เพียงแคบแคบเท่านั้นแต่ในทัศนาของเราชาวโลกทิพย์แล้วถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ยิ่งทีเดียวความตายของบุคคลสองคนในวัยเดียวกันและแม้จะตายด้วยโรคเดียวกันก็อาจมีความแตกต่างกันไปได้อย่างมากมาย ทางนี้เพราะว่าเราต้องพิจารณาดูความหยาบหรือปราณีตของจิตใจของผู้ตายและพื้นฐานความรู้เรื่องโลกทิพย์ของบุคคลนั้นเป็นของสำคัญโดยเหตุนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าความตายของบุคคลสองคนในโลกจะไม่เหมือนกันเลยส่วนประกอบของจิตใจดังกล่าวมาแล้วจะทำให้งานของเรายากหรือง่ายผิดกันไปได้เป็นอย่างมากอห น, นึ่ง สาเหตุเหล่านั้นจะเป็นปัจจัยที่ท่านผู้ใหญ่จะต้องนํามาพิจารณาดูก่อนเสมอว่าควรจะให้ผู้หนึ่งผู้ใดไปรับวิญญาณใดดีหากอุปนิสัยอารมณ์และสภาพจิตของผู้ตายกับผู้รับวิญญาณเข้ากันไม่ได้เสียแล้วก็จะทําให้งานยากมากขึ้นโดยไม่จําเป็นท่านคงจะทราบแล้วว่าบางครั้งเราต้องใช้ความอดทนอย่างเหลือเกิน ในเมื่อต้องเผชิญกับจิตใจที่ดึงดันก็ ต, ติดอยู่กับความเชื่อถือและลัทธิประเพณีเดิมที่ผิดๆอย่างฝังหัวในกรณีเช่นนี้ชาวโลกทิฟต้องใช้ความพยายามอย่างหนักประกอบกับศิลปะวิธีที่สมควรเพื่อที่จะให้บุคคลผู้ดึงดันเหล่านั้นกลับใจได้เพราะฉะนั้นการเลือกบุคคลให้เหมาะ ก, กับงานจึงเป็นเรื่องสําคัญไม่น้อย อย่างไรก็ตามชาวโลกทิพย์มีความอดทนเพียงพอเสมอมีอุบายนาน า, นานประการและมีผู้ยินดีช่วยเหลือให้กิจการลุล่วงไปด้วยดีท่านผู้ใหญ่ที่ส่งเราให้ไปรับงานอย่างหนึ่งอย่างใดจึงได้พิจารณาอย่างมั่นใจแล้วว่าเราเหมาะสมแก่งานนั้นจริงๆและเราก็มั่นใจได้ว่างานที่เราได้เป็นผู้รับมอบหมายนั้น ย่อมไม่เหลือกว่าความสามารถของเราไปได้สำหรับรายที่ข้าพเจ้ากำลังจะไปรับมานี้ได้รับคมบอกเล่าว่าเป็นเด็กหนุ่มอายุ18ปปีมีอุปนิสัยร่าเริงฉลาดและสอนง่ายท่านเจ้าหน้าที่ได้บอกกับเราด้วยว่าผมได้สังวนรายนี้ไว้ให้แก่คุณทั้งสองโดยเฉพาะเพราะคิดว่าเด็กหนุ่มผู้นั้น อาจจะเป็นประโยชน์แก่คุณทั้งสองได้ต่อไปผมคิดว่าถ้าคุณทั้งสองนําไปไว้ที่บ้านเลยก็จะเป็นการดีทีเดียวข้าพเจ้ากับรูตกลงโดยไม่ชักช้าพร้อมกับซักถามข้อความทั่วไปเกี่ยวกับเด็กหนุ่มผู้นั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้เราได้ทราบว่าเขายังไม่มีความเห็นผิดอันดึงดันเกี่ยวกับโรคทิฟตแต่อย่างใดแม้ว่า เขาจะได้รับการอบรมทางศาสนามาบ้างก็เป็นไปตามประเพณีคำสอนดังกล่าวยังไม่ได้ก่อให้เกิดความยึดมั่นอย่างจริงจังในจิตใจนอกจากนั้นบิดามารดาของเขาก็เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยนแม้จะรู้ว่าบุตรของตนต้องจากไปก็ไม่ได้แสดงความน้อยเนื้อต่ำใจเท่าใดนักเพราะคิดเสว่า เป็นความประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าที่เขาไม่อาจจะขัดได้ข้าพระเจ้ากอบรูดเห็นจริงว่ารายนี้เป็นรายที่เราสามารถจะช่วยเหลือได้โดยสะดวกกว่ารายอื่นๆซึ่งส่วนมากจะต้องใช้ความพยายามและความอดทนกันอย่างหนักบางท่านอาจจะสงสัยว่าเรารู้ได้อย่างไรว่าห้องแห่งความตาย หรือสถานที่ที่เราจะไปรับวิญญาณของบุคคลต่างๆนั้นอยู่ที่ไหนในที่นี้ข้าพเจ้าใคร่จะข อ, อกล่าวแทรกไว้สักเล็กน้อยว่าชาวโลกมนุษย์เมื่อกล่าวถึงความตายก็มักจะเห็นเป็นเรื่องเศร้าโศกเสียใจซึ่งเป็นความเข้าใจผิดอย่างยิ่งจริงอยู่ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่าเราควรจะแสดงความปีติยินดีกันอย่างใหญ่หลวงเมื่อเกิดมีคนตายขึ้น แต่ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าหากชาวโลกมนุษย์ได้รู้ถึงสภาพอันแท้จริงของบุคคลบางคนหลังจากมรณกรรมแล้วความเศร้าโศกเสียใจอันไม่จำเป็นดังกล่าวคงจะลดลงไปไมิใช่น้อยการส่งข่าวถึงการละกันในเรื่องนี้นั้นติดต่อกันด้วยใจเป็นสามทางด้วยกันคือ 1. ทางสำนักงานใหญ่ 2. ทางเทพเจ้าประจำตัวของบุคคลผู้กำลังจะถึงมรณะกรรม 3. และทางผู้รับวิญญาณคือเาพเจ้ากับรูดการส่งข่าวสารถึงกันและการโดยทางจิตดังกล่าวมานี้เป็นไปอย่างรวดเร็วและฉับพลันในขั้นแรกเจ้าหน้าที่ทางสำนัก ง, งานใหญ่จะส่งข่าวไปให้เทพประจำตัวของบุคคลซึ่งอยู่ในห้องมรณกรรมนั้นทราบเสียก่อนว่า เราคือข้าพระเจ้ากัมรูดพร้อมแล้วที่จะเข้าทําหน้าที่รับวิญญาณของผู้ตายเทพประจําตัวของผู้มรณกรรมก็จะส่งกระแสความคิดตอบมาซึ่งเราจะสังเกตเห็นได้โดยปรากฏเป็นลำแสงผ่านวาบมาขณะเดียวกันกระแสจิตของเราก็จะได้สัมผัสเข้ากับประกายแสงแห่งความคิดหรือตัดบีมและจากนั้น เราก็สามารถติดต่อกับเทพผู้อยู่ปลายทางของกระแสความคิดอีกข้างหนึ่งได้ขั้นต่อไปเราก็อธิษฐานจิตพุ่งตัวไปตามประกายแสงแห่งความคิดทางปลายหนึ่งไปสู่อีกปลายหนึ่งคือห้องมรณกรรมได้ทันทีเรื่องดังกล่าวมาทั้งหมดนั้นเป็นไปได้อย่างไรข้าพเจ้าเองก็ไม่มีความสามารถที่จะอธิบายให้ทราบได้ แต่ถ้าว่าความจริงก็เป็นเช่นนั้นจริงๆท่านเจ้าหน้าที่ที่สำนัก ง, งานใหญ่ได้บอกแกเราว่าบัดนี้จวนจะถึงเวลาแล้วข้าพเจ้าก็รู้จึงออกเดินทางโดยอธิษฐานจิตพุ่งตัวเองไปยังจุดหมายปลายทางของเราในทันทีฉับพลันเราก็มาถึงห้องนอนของบ้านหลังเล็กๆหลังหนึ่งเป็นห้องที่ไม่มีการประดับประดาตกแต่งมากมายเท่าใดนัก แต่ก็มีเขาว่าเป็นบ้านของคนชั้นกลางโดยรอบเตียงของเด็กหนุ่มมีพยาบาลและญาติพี่น้องห้อมล้อมอยู่หลายคนด้วยกันรู้สึกว่าบุคคลเหล่านั้นก็คงจะรู้ได้เหมือนกันว่าวาระสุดท้ายของเด็กหนุ่มอยู่ไม่ไกลเท่าใดและแพทย์ก็พยายามช่วยเหลือคนเจ็บอย่างสุดความสามารถเพื่อที่จะไม่ให้คนเจ็บได้รับความทรมานจนเกินไปนัก ปรากฏว่าพระที่มาเทศโปรดวิญญาณคนป่วยเพิ่งกลับไปเมื่อไม่นานมา น, นี้เองมีร่องรอยแสดงว่ามีการสวดมนต์อ้อนวอนพระเจ้ามาแล้วแต่คำสวดอ้อนวอนดังกล่าวก็คงเป็นไปตามประเพณีเท่านั้นเองซึ่งไม่ค่อยจะมีความหมายหรือประโยชน์อย่างแท้จริงต่อคนเจ็บเท่าใดนักและนอกจากนั้นสภาพแห่งจิตใจของบุคคลที่อยู่ในห้องนั้น ยังไม่เหมาะสมกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นซะีอีกด้วยคือเป็นจิตใจที่มีความห่วงใยและเศร้าสลดคอยดึงวิญญาณของผู้ตายไว้โดยไม่สมควรแต่อย่างไรก็ดีข้าพเจ้าและรูธพอจะจัดการแก้ไขบรรยากาศดังกล่าวได้โดยไม่ยากเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานขอพอรจากสวรรค์ให้มาเพิ่มกำลังและความสามารถที่มีอยู่ของเราทั้งสอง ฉับพรันก็มีลำแสงสุกสว่างพุง่งลงมาจากเบื้องบนและแผ่กระจายห้อมล้อมเราอยู่โดยรอบเป็นที่เห็นได้ชัดแล้วว่าเด็กหนุ่มจะมาร่วมทางกับเราในเวลาอันไม่ชานี้แล้วรุตจึงไปยืนอยู่หัวเตียงในระยะที่สามารถจะเอื้อมมือไปรูปศีรษะของเด็กหนุ่มได้พร้อมกับค่อยๆรูปหน้าผาคนเจ็บไว เพื่อให้เขาได้รับกระแสจิตของเธอได้โดยสะดวกในระยะนี้เรายังไม่สามารถจะรู้ได้แน่ชัดว่าความช่วยเหลือของเราจะส่งผลไปถึงคนเจ็บหรือยังจึงต้องรอดูอาการตอบสนองของคนป่วยไปช่วขณะหนึ่งก่อนแต่สำหรับรายนี้รู้สึกว่าจะได้ผลรวดเร็วเพราะว่าพอรูดเอื้อมมือไปลูบศีรษะแม่นาน เด็กด่มก็ลืมตาเง้ยนมองขึ้นไปทางหัวเตียงคล้ายๆกับจะดูว่าใครหรืออะไรเป็นผู้มาทำให้เขาเกิดความสบายขึ้นเช่นนั้นตอนนี้อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาคงจะได้เห็นรูทแล้วซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นจริงก็จะเป็นการดีมากสำหรับตัวเขาเองขณะนี้เราทั้งคู่แต่งตัวเหมือนชาวโลกมนุษย์รูท สวมเสื้อฤดูร้อนสีสดใสไม่ผิดกับมนุษย์ผู้หนึ่งและดูเป็นสตรีที่มีเสน่ห์อย่างยิ่งขขาพเจ้าขอย้ำความจริงไว้ให้ท่านทราบอีกครั้งหนึ่งด้วยว่าเราพยายามจะปรากฏให้เหมือนกับชาวโลกมนุษย์อย่างที่สุดโดยไม่ให้มีว่แววว่าเป็นผู้มาจากโลกอื่นเลยท่านคงจะยังจำได้ว่าเมื่อเอ็ดวินมาต้อนรับข้าพเจ้า ตอนที่ข้าพเจ้าถึงแก่ความตายนั้นเขาก็ปรากฏกายให้ข้าพเจ้าเห็นด้วยเสื้อผ้าของชาวโลกมนุษย์ธรรมดาเหมือนกันเพราะว่าหากเข้าปรากฏกายด้วยเครื่องแต่งกายทิพย์แล้วข้าพเจ้าอาจจะถึงแก่สิ้นสติไปอีกครั้งก็ได้เมื่อรู้ได้ไปยืนที่หัวเตียงแล้วข้าพเจ้าจึงไปยืนที่ปลายเท้าของเด็กหนุ่ม และพยายามเพ่งสายตามองดูเขาด้วยความตั้งใจในไม่ช้าข้าพเจ้าก็รู้สึกว่าเขาแสดงอาการแลเห็นข้าพเจ้าเหมือนกันข้าพเจ้ายิ้มและโบกมือให้เป็นเชิงปลอบและให้กำลังใจเป็นอันว่าทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปอย่างน่าพอใจแลแล้วเวลาอันสำคัญที่สุดในชีวิตของเด็กหนุ่มก็มาถึง ข้าพเจ้าเลื่อนไปอยู่ที่ตอนกลางของเตียงตรงข้ามกับที่รูทยืนอยู่ก็พอดีเด็กหนุ่มย่างลงสู่ความหลับครั้งสุดท้ายอย่างเงียบสงบพร้อมกันนั้นกายทิพย์ของเขาก็ค่อยๆขรุดขึ้นจากร่างซึ่งบาดนี้หาชีวิตไม่แล้วโดยมีสายใหญ่สีเงินสุกใสเป็นเครื่องเชื่อมโยงให้ติดกันอยู่สายใหญ่นี้เองที่เราเรียกกันว่าสายใหยแห่งชีวิต หรือ l ลฟ e คอ r d เข้าไปเจ้าช้อนร่างซึ่งกำลังค่อยๆลอยขึ้นนั้นมาไว้ในวงแขนบาตโดนก็มีอาการบิดกระตุกเล็กน้อยที่ร่างนั้นอีกครั้งหนึ่งครั้นแล้วสายใหญ่นั้นก็หลุดออกจากกายเนื้อหดสั้นเข้าและในที่สุดก็หายวับไปเป็นอันว่าสำหรับญาติพี่น้องในห้องเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นผู้ตายและจากไปแล้ว ส่วนสำหรับเราเด็กหนุ่มคนนี้เป็นผู้มีชีวิตใหม่และมาอยู่กับเราอย่างแท้จริงแล้วข้าพเจ้าอุ้มเขาไว้ในวงแขนเหมือนกับอุ้มเด็กเล็กๆคนหนึ่งขณะเดียวกับรูธเอื้อมมือมาแตะศรีรษะเขาอย่างแผ่วเบาเธอรูปไล่ไปมาที่ศรีรษะของเขาอยู่พักหนึ่งเพื่อกล่อมหรือสะกดให้เขาได้หลับอย่างสงบสุข ในขณะที่เราจะพาเขาออกเดินทางกลับบ้านของเราเพื่อเพิ่มพลังความสดชื่นให้แก่เด็กหนุ่มรูดกลุ่มมือของเขาไว้ตลอดเวลาที่เรานาเข้ามาและในพริบตาเราทั้งสองก็มาปรากฏกายที่บ้านอันผาสุก ข, ของเราอีกครั้งหนึ่งเราค่อยบรรจงวางร่างของเด็กหนุ่มลงบนฟูกอ่น อ, อนนุ่มรูดนั่งลงข้างๆเตียง ส่วนข้าพเจ้าลากเก้าอี้ตัวหนึ่งมานั่งลงที่ปลายเท้าของเตียงอีกด้านหนึ่งรู้สึกว่าเรียบร้อยดีมากเธอกล่าวขึ้นอย่างพอใจดิฉันหวังว่าคงจะมีมีเรื่องยุ่งยากมากมายสำหรับรายนี้งานของเราในขั้นต่อไปนี้ก็คือคอยการตื่นของเขาเท่านั้นเองสำหรับรายนี้เนื่องจากเขาไม่ได้ทนทุกข์ทรมานด้วยการป่วยไข่ยอยู่เป็นเวลานาน ข้าพเจ้าจึงเชื่อว่าเราคงจะไม่ต้องคอยอยู่นานเท่าใดนักเราได้ช่วยกันจัดบ้านไว้ต้อนรับเด็กหนุ่มผู้นี้เป็นอย่างดีฟูกที่เขานอนอยู่ริมหน้าต่างซึ่งมองออกไปจะเห็นทัศนียภาพของภูมิประเทศอัน ง, งดงามภายนอกได้โดยไม่ต้องเอี่ยวสีรษะเลยแม้แต่น้อยที่ฝาผนังห้องเบื้องหน้าเด็กหนุ่มเราได้ตั้งกระจกเงาบานใหญ่ไว เพื่อให้เขาสามารถเห็นสภาพความเป็นไปของห้องได้โดยถนัดชั่วเหลือบมองเพียงเล็กน้อยเท่านั้นห่างออกไปจะได้ยินเสียงเด็กเล็กๆและเสียงนกร้องอย่างไพเราะอยู่ไม่ไกลนักด้วยการเตรียมการทั้งหมดดังที่กล่าวมาแล้วนี้ทำให้เราเชื่อว่าสมาชิกใหม่ของเราคงจะตื่นจากความหลับขึ้นมาสู่ชีวิตใหม่และโลกใหม่ ด้วยความสดชื่นแจ่มใสยอย่างแท้จริงและงานอันแท้จริงของเราก็คงจะได้เริ่มต้นในตอนนี้เองบทที่สองการตายแล้วเกิดดุดหลับแล้วตื่นตอนตื่นรูธเป็นคนแรกที่พูดขึ้นเมื่อเด็กหนุ่มลืมตาขึ้นสวัสดีโรเยอร์รู้สึกเป็นอย่างไรบ้าง เพื่อนของเราที่สำนักงานใหญ่ได้บอกชื่อแรกของเด็กหนุ่มคนนี้แก่เราซึ่งก็เป็นการเพียงพออย่างสมบูรณ์แล้วโรเยอร์เบิกตากว้างอยู่ในขณะที่เขาหันไปทางรูทพร้อมกับพูดว่าเอผมเห็นคุณเมื่อไรกันนะอ๋อเมื่อสักครู่นี้เองคุณเป็นใครครับก็เป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือเธ อ, อยังไงล่ะเรียกฉันว่ารูทก็ได้แล้วท่านล่ะครับ ดูเหมือนผมจำได้ว่าท่านได้นั่งอยู่ปลายเตียงของผมถูกแล้วข้าพเจ้าตอบอีกสักครู่ความจำของเธอจะดีขึ้นอีกโรเยอร์ทำท่าจะลุกขึ้นนั่งตัวตรงแต่รูทได้กดตัวเขาให้กลับลงบนฟูกอย่างอ่อนโยนพร้อมกับพูดว่านี่โรเยอร์คำสั่งของวันนี้คือเธอจะต้องพักงเงียบๆอยู่ที่นี่และต้องไม่พูดมากจนเกินไปนัก เด็กหนุ่มมองจ้องออกไปข้างนอกหน้าต่างเป็นทัศนียภาพที่สวยงามมากใช่ไหมเข้าไเจาพูดขึ้นพร้อมทั้งชี้มือผ่านช่องหน้าต่างออกไปรู้สึกว่าหน้าอยู่มากใช่ไหมถูกแล้วละอ๋อเธอคงจะแปลกใจถึงสิ่งที่อยู่รอบบตัวขณะ น, นี้เธอมีความคิดอย่างใดอย่างหนึ่งบ้างไหมเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ ซึ่งอาจจะเป็นเพียงแต่ความเข้าใจอันเรือนรางแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือว่าเดี๋ยวนี้เธอรู้สึกสบายดีแล้วและความเจ็บปวดทุกอย่างก็หายไปหมดแล้วใช่ไ้ยโปรเยอร์พยักหน้าและยิม้มดูเหมือนว่าความรู้สึกเป็นไปอย่างที่กพเจันพูดครับถูกแล้วขอบคุณเห็นได้ชัดว่าเด็กหนุ่มไม่ใช่คนประเภทตื่นเต้นง่ายจึงเป็นอันว่า ไม่มีความจำเป็นที่เราจะปิดบางความจริงกันอีกสืบต่อไปเข้าไปเจ้าสบสายตากับรูทและเธอก็พยักหน้าเป็นการเห็นด้วยโรเยอร์ที่รักเข้าไปเจ้าเริ่มฉันมีข่าวดีบางอย่างจะบอกแกเธอเธอจำได้อย่างถูกต้องทีเดียวเธอได้เห็นรูทกับฉันเมื่อครู่นี้เราทั้งสองอยู่ในห้องนอนที่บ้านของเธอและเธอกาลังป่วยมาก จนกระทั่งหมอไม่อาจจะช่วยเธอไว้ได้ดังนั้นรูดและฉันจึงมานําตัวเธอไปไปยังอีกโลกหนึ่งโลกแห่งความรื่นรมเธอพอจะเข้าใจที่ฉันพูดบ้างไหมครับผมได้ตายแล้วอย่างนั้นใช่ไหมถูกแล้วเธอไม่ตกใจไม่ใช่หรือเปล่าครับผมไม่ได้ตกใจเด็กหนุ่มนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็กล่าวเสริมต่อไปว่า แต่ผมไม่เคยคิดว่าจะพบสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำนองนี้จริงฉันก็คิดว่าเธอคงจะไม่ได้นลึกฝันเช่นนี้เหมือนกันใครบ้างล่ะจะคิดเช่นนี้ได้นอกจากบางคนที่รู้เรื่องอย่างนี้เข้าใจดีแล้วถามจริงๆเธอขณะนี้เธอคิดว่าจะได้พบสิ่งใดผมเองก็ยังมืดแปดด้านจริงๆคงจะนึกว่า อาจจะได้พบยมทูตที่มีปีกใหญ่หน้าตาเยี่ยมเกรียมแลดูชายเย็นและไม่น่าสนใจเลยใช่ไหมสมมติว่าเธอได้เห็นบางสิ่งบางอย่างในทํานองนี้เธอจะรู้สึกอย่างไรคงจะคิดว่าพวกเขาเหล่านั้นจะต้องมาลากเอาตัวเธอไปเพื่อไตยสวนต่อหน้าผู้วิพากษาที่น่ากลัวหน้าที่แห่งใดแห่งหนึ่งในศาลสูงของสวรรค์และแล้ว ความทุกข์ทรมานก็จะมันเกิดขึ้นแก่เธอถ้าเธอได้ทำบาปเอาไว้ใช่ไหมรูทได้หัวเราะเสียงดังด้วยความขบขันในวิธีการพนานาโวหารของข้าพเจ้าขณะเดียวกันโรเยอร์ก็มองดูข้าพเจ้าเขม็งเพื่อจะให้รู้ว่าข้าพเจ้าพูดเล่นหรือพูดจริงในที่สุดเขาก็เดาความหมายออกแล้วก็โหเราะตามไปด้วยโรเยอร์ ให้ฉันบอกเธออีกครั้งหนึ่งเถอว่าไม่มีผู้พิพากษาหรือผู้ตัดสินที่ยิ่งใหญ่แม้สักคนเดียวอยู่แห่งใดแห่งหนึ่งในโลกนี้ในโลกแห่งความเป็นทิพย์นี้การพิพากษาอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะมีขึ้นเราทำด้วยตัวของเราเองและจัดการอย่างยุติธรรมด้วยเธอจะพบว่าเธอกลายเป็นผู้พิพากษาตัวเองอย่างเต็มที่ดังเช่นพวกเราได้กระทำมาแล้ว เราจะเข้มงวดกับตัวเราเองอย่างที่สุดดังนั้นความคิดอะไรก็ตามที่เธออาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับวันพิพากษาจงสลัดความคิดเหล่านั้นออกไปให้หมดจากจิตใจเพราะไม่มีสิ่งที่ว่านั้นไม่เคยมีมาก่อนเลยและต่อไปก็จะไม่มีเป็นอันขาดในตอนนี้ฉันคิดว่าเธอคงจะสงสัยว่าต่อไปจะมีอะไรเกิดขึ้นกับเธออีก เข้าไปเจ้ากล่าวต่อไปคำตอบนะั้นง่ายนิดเดียวคือว่าไม่มีอะไรเลยอย่างน้อยที่สุดก็ชั่วระยะเวลาหนึ่งต่อเมื่อเธอรู้สึกสบายดีแล้วเราทั้งหมดก็จะออกไปสำรวจสิ่งต่างๆสักเล็กน้อยเธอจะรู้สึกอย่างไรบ้างเกี่ยวกับข้อเสนอนี้เป็นข้อเสนอที่ดีมากสำหรับผมแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่ผมอยากจะทราบ โรเยอร์หันมองรอบๆพร้อมกับถามว่าบ้านหลังนี้เป็นของใครและท่านเป็นใครครับผมรู้สึกว่าท่านคงจะเป็นพระแต่สีของเสื้อคลุมของท่านเป็นสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ก็เป็นของฉันนะซิซึ่งที่จริงก็คือของเรานั่นเองเพราะว่ารูดและเพื่อนของฉันซึ่งเธอจะได้พบในภายหลังได้ใช้เวลามากที่สุดอยู่กับฉัน สำหรับเสื้อผ้าของฉันนั้นก็คือว่าเสื้อผ้าที่ฉันกำลังสวมอยู่นี้ฉันเพียงแต่ลอกแบบเมื่อสมัยที่ฉันสวมอยู่ในโลกมนุษย์นั่นเองความจริงฉันมีเสื้อผ้าของโลกทิพย์โดยเฉพาะเหมือนกันแต่สมมติว่าฉันไละรูทสวมเช่นนั้นเมื่อตอนที่มารับเธอในห้องของเธอนนะเธออาจจะเห็นเราทั้งสองเป็นยมทูตที่แลดูทเมือนถึงน่ากลัวเสียมากกว่า และแม้เราจะพยายามยิ้มแย้มแจ่มใสเพียงไรเธอก็คงจะอดหวาดผวาไม่ได้อยู่ดีดังนั้นในขณะ น, นี้ฉันคิดว่าเราคุยกันในชุดเครื่องแบบเดิมของโลกมนุษย์เราไปพลางก่อนดีกว่าโรเยอร์ก้มลงมองดูเสื้อผ้าของตัวเองเห็นว่าเขากำลังสวมกางเกงสักหลาดขายาวแล้วสวมแจ็คเก็ตสีน้ำตาล พร้อมกันนั้นยังสวมรองเท้าหนังอย่างดีอีกด้วยเขาพยายามรูปคลำดูเสื้อผ้าเครื่องแต่งตัวไปมาเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นของจริงเขาได้จับดูตามแขนขาของเขาเองเพื่อให้แน่ใจว่ายังคงเป็นเนื้อหนังอยู่ครั้นแล้วเขาก็วางเท้าข้างหนึ่งลงจากเตียงและตบลงกับพื้นเบาๆทั้งหมดนี้เป็นของแข็งของจริงทั้งนั้นใช่ไหมโรเยอร์ Roger. ก็าพระเจ้าถามขึ้นเมื่อเห็นท่าทางชะงงนของเด็กหนุ่มรูดได้นำชามผลไม้ใบใหญ่มาจากโต๊ะข้างฝาห้องตัวหนึ่งและนำมาให้เด็กหนุ่มเธอยิ้มพลางพูดขึ้นว่าเธอจะเห็นว่าผลไม้เหล่านี้ก็เป็นของที่มีอยู่จริงๆด้วยเหมือนกันจงเลือกรับประทานเองตามใจชอบมันน่ารับประทานมากและมันจะทำให้เธอรู้สึกสดชื่นขึ้นอย่างประหลาดที่สุด เราเก็บไว้ที่นี่โดยเฉพาะเราทั้งสามต่างก็หยิบผลไม้ขึ้นมารูธและข้าพเจ้าได้คอยดูว่าเด็กหนุ่มจะทําอย่างไรกับผลไม้ที่ถือนั้นครั้งแรกเขาได้มองดูผลไม้อย่างใกล้ชิดพลิกกลับไปกลับมาอยู่ในมือเมื่อเขาตรวจดูแล้วเขาก็รู้ว่ามันคือลูกอินทผลัมและดูเหมือนเขาตัดสินใจไม่ได้ว่าจะทําอย่างไรกับผลไม้นั้น แต่อันที่จริงก็มีอย่างเดียวที่เราจะกระทําลงไปกับลูกอินทพหลมที่น่ารับประทานเช่นนี้คือต้องกินมันเข้าไปเท่านั้นรูทและข้าพเจ้าก็ได้รับประทานลูกอินทพหัมนั้นในขณะที่โรเยอร์เฝ้ามองอย่างไม่กระพริบเพื่อจะดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไม่ต้องสงสัยเลยว่าเขาต้องคาดว่า จะได้เห็นน้ำลูกอินทพลัมพุ่งออกมาข้างนอกเละเทอะเปื่อเปื่อนเสื้อผ้าของเราทันแล้วเขาก็เบิกตากว้างด้วยความประหลาดใจเมื่อเขาได้เห็นน้ำลูกอินทพลัมนั้นไหลออกมาจริงๆแต่แล้วก็ไม่ปรากฏรอยสกปรกบนเสื้อผ้าของเราเลยเมื่อเขาได้เห็นตัวอย่างจากของจริงเช่นนี้เขาจึงมีความกล้ารับประทานผลไม้นั้นบ้าง เขาแสดงท่าตื่นเต้นอย่างน่าขบขันเมื่อคิดว่าเขาได้เห็นของมหัศจรรย์เกิดขึ้นต่อหน้าต่อตารูธได้ที่บายว่าที่นี่ไม่มีของเสียเลยโรเยอร์ Roger. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราไม่ต้องการจะกลับไปสู่ที่เดิมของมันไม่มีการถูกทำลายเธอไม่สามารถจะทำลายสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เลยไม่ว่าเธอจะใช้ความพยายามอย่างใดก็ตาม ถ้าเธอรู้จักว่าเธอไม่มีความจําเป็นหรือปรารถนาะในสิ่งดึงอีกต่อไปแล้วสิ่งนั้นก็จะเหี่ยวแห้งและอันตรธานหายไปต่อหน้าต่อตาทีเดียวแต่ว่ามันไม่หายไปไหนมันจะกลับไปสู่ที่เดิมเช่นถ้าเธอไม่ต้องการบ้านหลังนี้พร้อมกับสิ่งของที่อยู่ในบ้านนี้แล้วมันก็จะอันตราธานไปหมดและแล้วที่นั่นก็จะไม่มีอะไรให้เห็นเลย นอกจากพื้นดินที่เคยเป็นที่ตั้งของมันเช่นเดียวกับสิ่งอื่นเหมือนกันทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทิพย์นี้มีชีวิตเราไม่มีสิ่งใดเลยที่จะไม่มีชีวิตเธอคิดไหมว่าเท่าที่เธอได้เห็นมาเพียงเล็กน้อยก็เป็นเครื่องแสดงว่าทุกสิ่งทุกอย่างได้ถูกจัดไว้ที่นี่ดีกว่าในโลกมนุษย์มากนักโรเอร์ได้ขอบคุณรูทที่เธอได้ให้อัธถาบายแก่เขา แต่ดูเหมือนว่าเขามีความมั่นใจขึ้นอีกเล็กน้อยในเรื่องที่กำลังพูดถึงกันแน่ละแม้ว่ารูทจะได้แนะนำไม่ให้เขาพูดมากจนเกินไปก็ตามอย่างไรก็ดีเขาได้หันมาทางข้าพเจ้าหลังจากที่ได้ตรึกตรองถึงคำพูดของรูทพร้อมกับความสงสัยบางอย่างก็ปรากฏออกมาให้เห็นเขาถามขึ้นว่า ท่านเป็นเจ้าคุณหรือวีชอปหรือเปล่าครับโรเยอร์ถามขึ้นโอ้ยังรอกเข้าระเจ้าตอบพลางหัวเราะฉันยังไม่ใหญ่โตถึงขนาดนั้นเธอคงสนิทฐานเอาจากสีของเสื้อคลุมของฉันกระมังฉันมีตำแหน่งเป็นเพียงมองซินเยอร์เท่านั้นเมื่อครั้งเป็นชาวโลกมนุษย์เพื่อนฝูงเก่าๆของฉันบางทีสมัครใจเรียกฉันตามตาแหน่งเดิมก็มี เขารู้สึกว่าเป็นการสะดวกลักษิทสนมดีเท่านั้นเองฉันเองก็ไม่ได้ถือยศศักย์อย่างใดไม่ว่าเขาจะเรียกฉันอย่างใดก็คงไม่มีอะไรผิดแปลกเพราะในโลกทริปนี้จะไม่มีการแบ่งกันตามยศศักฐานันดอนดังในโลกมนุษย์จะเรียกฉันตามชื่อหรือตามตำแหน่งเดิมก็ได้สุดแล้วแต่ความสะดวกข้อสำคัญก็คือ ให้เป็นที่พออาศัยเรียกร้องกันให้เกิดความเข้าใจได้เท่านั้นเองและให้เธอเข้าใจไว้ด้วยว่าหน้าที่นี้ไม่มีกฎเกณฑ์อันหยุมหยิมเกี่ยวกับยศศักดิ์ดังในโลกมนุษย์เลยเธอจะถือหลักเกณฑ์ดังที่รูธเคยกล่าวอยู่บ่อยๆก็ได้ว่าในเมื่อไม่ผิดกฎแล้วก็นับว่าใช้ได้ทั้งสิน้นณที่นี้ ข้าพเจ้าใคร่ขอกล่าวแทรกข้อความบางอย่างไว้สักเล็กน้อยว่าข้าพเจ้าเชื่อว่าท่านผู้อ่านบางท่านที่ได้อ่านมาถึงตอนนี้คงจะอดคิดไม่ได้ว่าการสนทนาต่างๆที่ได้เล่ามานี้ดูเป็นเรื่องของเด็กๆไม่น่าจะมีสาระหรือเนื้อหาสมควรแก่ผู้อยู่ในภูมิที่เรียกว่าสวรรค์เฉยยดังนั้นหลายท่านคงจะคิดว่า เรื่องทั้งหมดนี้เป็นเรื่องเหลวไหลที่กุขึ้นมาเสียมากกว่าความคิดของบุคคลส่วนมากที่เป็นดังนี้ก็เพราะเกิดมาจากความเคยชินที่ได้ถูกสอนให้เข้าใจกันมาแต่เดิมว่าในภูมิที่เรียกกันว่าสวรรค์ น, นั้นจะมีการงานอย่างอื่นไม่ได้เลยนอกจากนั่งหลับตาภาวนาท่องข้อความยาวๆจากพระคมภีอยู่วันยังข้ามคืนยังรุ่ง การพูดจาปลาสัยกันแต่ละครั้งก็ต้องใช้ประโยคและถ้อยคำชั้นสูงสำนวนก็ต้องหยดย้อยประดับประดาไปด้วยภาษาวรรณคดีแพรวพราวไปหมดจะพูดกันให้ออกมาจากความรู้สึกอันแท้จริงด้วยภาษาง่ายๆนั้นต้องเป็นการผิดกฎของสวรรค์อย่างร้ายแรงนักหนาความเข้าใจทั้งหมดดังกล่าวมานี้ข้าพระเจ้าขอยืนยันว่า นั่นแหละเป็นเรื่องที่เหลวไหลาหาสาระไม่ได้เลยโดยแท้จริงพวกเราทั้งหมดดำเนินชีวิตกันอย่างปกติธรรมดาเราทำงานกันตามใจชอบและตามความถนัดเราสนทนาปลาสายกันเหมือนกับคนที่มีสติดีทั้งหลายทากันทั่วๆไปไม่จำเป็นต้องดัดจริตใช้ถ้อยคำหรือํำนวนหรูหราจนเกินความจริงใจแต่อย่างใดเลย เราอาจจะพูดจา ก, กันอย่างสนุกสนานร่าเริงในบางครั้งเพราะเรายังเป็นผู้มีหัวใจที่จะร่าเริงได้แต่เราก็เป็นผู้ที่ทำงานการอย่างเข้มแข็งด้วยใจรักงานอย่างแท้จริงและข้อสำคัญก็คือเราทั้งหมดมีความสุขมีความภูมิใจที่ได้ดําเนินชีวิตไปตามธรรมชาติเช่นนี้โดยไม่ได้วิตกกังวลว่า มันจะเป็นการผิดแผกจากกฎเกณฑ์ที่ชาวโลกมนุษย์พากันตั้งไว้ให้เราตามอำเภอใจอย่างใดหรือไม่เลยโรเจอร์ Roger, รู้สึกว่าอยากจะลุกขึ้นจากเตียงแล้วในตอนนี้เราสังเกตดูก็เห็นได้ว่าเขามีอาการดีขึ้นโดยลำดับผลไม้ที่เขารับประทานเข้าไปได้เป็นเครื่องช่วยให้กระปรีก้กระเป๋าขึ้นได้เร็วมากแต่เราก็ยังรู้สึกว่า เขาไม่ควรจะหักโหมใช้กำลังมากนักในระยะแรกๆที่เพิ่งจากกายเนื้อมาได้ไม่นานดังนั้นเราจึงขอร้องให้เขานอนพักต่อไปอีกสักเล็กน้อยซึ่งโรเจอร์ก็เชื่อฟังเป็นอันดีดูเขารู้สึกเป็นกันเองและคุ้นเคยกับเราได้รวดเร็วอย่างน่าพอใจซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นเพราะ การที่เราได้ปฏิบัติต่อเขายัางไม่มีพิธีรีตองใดๆส่วนหนึ่งเหมือนกันความจริงเรื่องเช่นนี้เป็นของสำคัญอยู่ไม่น้อยในการต้อนรับผู้ที่เพิ่งมาถึงใหม่ๆในโลกทิพย์เพราะเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้สมาชิกใหม่ของเราคลายความวิตกกังวลไปได้เป็นอันมากความรู้สึกเช่นนี้จะมีแก่ผู้ที่เพิ่งมาสู่โลกทิพย์นี้เสมอทุกคน ซึ่งท่านก็คงจะเห็นเหตุผลได้อย่างแจ่มแจ้งว่าหากเราทําท่าหรือสีหน้าปั้นปึงเป็นนักปราดหรือผู้ยิ่งใหญ่แล้วจะทําให้ผู้มาใหม่เกิดความหวาดกลัวและว้าเวยอย่างยิ่งเพียงใด <S <s เด็กหนุม่มมองออกไปทางหน้าต่างในเมื่อปรากฏมีเสียงกระพือปีกดังขึ้นเขาได้เห็นนกเล็กๆตัวหนึ่งบินร่อนเข้ามาในห้อง มันหยุดเกาะอยู่ห่างจากโรเยอร์ประมาณหนึ่งหรือสองฟุตรโรเยอร์จ้องดูนกตัวนั้นเขม็งโดยไม่ขยับเขยื่อนมีท่าทางคล้ายๆกับเกรงว่ามันจะตกใจบินหนีไปเสียรูธเรียกนกตัวนั้นให้เข้ามาหาซึ่งมันก็บินเข้ามาเกาะบนฝ่ามือที่ยื่นออกไปรับอย่างคุ้นเคยกันดีนกตัวนี้มีขนสีเทาอ่อนน่ารักมาก โรเยอร์แสดงอาการตื่นเต้นเมื่อรูทยื่นนกให้อุ้มแทนนกตัวนี้ชอบมาหาเราบ่อยๆเขาพเจ้าบอกเขามันเป็นเพื่อนเก่าในโลกมนุษย์ของฉันเองแล้วนกตัวนี้มาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรครับเพื่อนของฉันเขาพบมันในโลกมนุษย์ในตอนนั้นยังเป็นลูกนกเล็กๆไม่ค่อยสบายเขาพยายามประครบประงมมันอย่างสุดกาลังมันก็ไม่รอด เป็นอันว่ามันตายเสียตั้งแต่เล็กๆแทบว่าจะยังไม่ได้เริ่มชีวิตเลยจากนั้นด้วยอำนาจของความผูกพันในทางใจที่มีต่อนกตัวนี้มันก็ได้ผ่านจากโลกมนุษย์มาสู่โลกนี้และได้รับความเอาใจใส่ระวังรักษาจากพวกเราในทำรนองเดียวกันกับที่เราได้เอาใจใส่มนุษย์อื่นๆเหมือนกันความผูกพันทางใจดังกล่าวนี้ ได้เป็นเครื่องหล่อเลี้ยงชีวิตเขามันอยู่ได้ตลอดมาจนถึงเดี๋ยวนี้ในตอนนี้มันเป็นส่วนหนึ่งแห่งชีวิตของเพื่อนเก่าของชั้นทีเดียวในบ้านของเขาเธอจะเห็นสัตว์ประเภทอื่นๆอีกหลายอย่างด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างผาสุขครอบครัวนี้มีความเป็นอยู่สนุกสนานร่าเริงดีเหลือเกินวันหนึ่งฉันจะพาเธอไปเยี่ยมเขาด้วยกันเป็นไงเธอชอบนกตัวนี้ไหม ชอบมากครับแต่ว่ามันเป็นนกอะไรนะครับเมื่อตอนแรกที่มันมาถึงใหม่ๆนั้นขนเป็นสีเทากว่านี้มากและก็ยังไม่ใหญ่ถึงขนาดนี้เดี๋ยวนี้มันโตขึ้นมากและสีก็สวยงามขึ้นด้วยเธอสงสัยใช่ไหมว่าเป็นนกอะไรอันที่จริงมันก็เป็นนกกระจอกธรรมดาธรมดานั่นเองเธอจาไม่ได้หรือโรเยอร์ รูปคลานกตัวน้อยด้วยความเอ็นดูท่านใดรูดก็เหลือไปเห็นชายสองคนเดินเข้ามาในบ้านอาคันตุ ก, กะทั้งสองเดินทอดน่องผ่านสวนเข้ามาโดยไม่รีบร้อนพลางหยุดชมดอกไม้ที่ขึ้นอยู่ในสวนหน้าบ้านด้วยความสนใจเมื่อทั้งสองเข้ามาใกล้เราก็จำได้ว่าเขาคือเพื่อนเก่าของเรานั่นเองคนสูงเป็นคนชาวคาวดีน ส่วนคนต่ําเป็นชาวอียิปต์ทั้งสองคนเคยมาเยี่ยมเยียนเราบ่อยๆข้าพเจ้าบอกโรเยอร์ว่าเขาไม่จําเป็นต้องลุกขึ้นเพื่อต้อนรับแขกของเราเพราะท่านผู้มาเยี่ยมทั้งสองรู้ดีว่าเตียงนอนนี้ใช้สําหรับรับรองผู้ที่เพิ่งมาถึงใหม่ๆและยังไม่มีกําลังพอที่จะลุกไปไหนมาไหนได้ดังนั้นท่านจะไม่ถือว่า เป็นการแสดงอาการไม่เคารพแต่อย่างใดเลยข้าพเจ้ากับุ้ออกไปต้อนรับอาคันตุ ก, กะทั้งสองที่หน้าประตูท่านผู้ที่เป็นชาวคานดีนมีชื่อว่าโอมามีร่างกายสูงสง่าผมดำสนิทตัดกับผิวสีขาวนวลทำให้ลายเห็นเด่นขึ้นอีกมากบุคคลผู้นี้เป็นผู้ที่มีอัธยาสายร่าเริงที่สุดในภูมินี้ และเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่าเป็นผู้ที่อารมณ์ขันคลึกคลื้นอยู่เสมอเราได้กล่าวเชิญอาคันตุกะทั้งสองให้เข้ามาเยี่ยมโรเยอร์ซึ่งท่านทั้งสองก็ตกลงด้วยความยินดีเราได้จัดหาเก้าอี้ให้ท่านทั้งสองนั่งข้างๆเตียงของเด็กหนุ่มเพื่อจะได้สนทนากันโดยใกล้ชิดเป็นไงหลานชายสบายดีขึ้นหรื อ, อยังโอมากล่าวทักทายโรเยอร์ แล้วกว่าหันมาทางข้าพเจ้าถ้าทางพ่อหนุม่มคงจะประหลาดใจว่าผมเป็นใครหรืออันที่จริงก็คือผมเป็นอะไรกันแน่ก็คุณเป็นคนแรกที่โรเยอร์เห็นในชุดเครื่องแต่งกายของโลกนี้นี่ครับแกก็ต้องสงสัยเป็นธรรมดาเป็นงั้นใช่ไหมโรเยอร์จริงครับเด็กหนุม่มตอบผมรู้สึก ง, งงงอยู่สักหน่อยเสื้อผ้าของท่านผู้นี้ดูผิดกับของท่านมากทีเดียว ที่ผิดกันไปก็เพราะท่านมองชินเยอะไม่ต้องการให้เธอตกอกตกใจไปเสียก่อนนาซีโอมาอธิบายให้โรเยเอร์ทราบสําหรับฉันเธอก็ไม่ได้ตกใจกลัวมิใช่หรือในตอนนี้อย่าวิตกไปเลยพ่อหนุม่มฉันและเพื่อนของฉันไม่มีภัยอันตรายต่อใครดอกไม่เชื่อลองถามท่านมองชินเยอะกับรูดดูก็ได้เธอคงจะนึกว่าฉันเป็นเทวดาละสี ก็ดีเหมือนกันเพราะถึงอย่างไรก็ดูจะดีกว่าที่จะเห็นฉันเป็นผีปีศาจร้ายไปเชื่อไหมว่าในโลกมนุษย์ยังมีคนอีกไม่น้อยที่เรียกฉันเป็นพูดผีปีศาจและก็เรียกรูทก็มองสินเยอบเป็นตัวมารร้ายอะไรทำนองนั้นเธอลองพิจารณาดูให้ดีสิว่าพวกเรามีท่าทางสมกับที่จะเป็นพูดผีปีศาจร้ายได้ไหม แต่ฉันว่าท่านมองสิ้นเยอนั่นแหละดูท่าจะโดนวิาพากวิจาร์มากกว่าใครในที่นี้สักหน่อยนี่แหละเป็นเรื่องที่เราพากันหัวเราะอย่างขบขันทั้งทั้งที่ชาวโลกมนุษย์คิดว่าเราหัวเราะกันไม่เป็นหรือหัวเราะไม่ได้เลยทีเดียวอันที่จริงฉันเองก็ไม่เคยนึกฝันว่าตนเองจะเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์หรือสูงส่งถึงขนาดหัวเราะไม่เป็นเอาเสียเลย ยิ่งท่านมองสินเยร์ด้วยแล้วก็น่ากลัวจะยังคงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ไปอีกนานโขอโอมากล่าบเป็นเชิงล้อๆอย่างสนุกสนานผมเห็นจะต้องกลาบเสียทีขอหันมาทางข้าพเจ้าช่วยบอกเพื่อนของผมในโลกมนุษย์ด้วยนะครับว่าผมยังคิดถึงเขาอยู่ว่าแล้วโอมาก็เอื้อมมือไปจับมือของโรเยอร์มากุมไว้ครู่หนึ่งแล้วก็ตบแก้มเด็กหนุ่มเบา พักผ่อนให้สบายสะกก่อนนะหลานชายแล้วให้ท่านมองซินเยอร์กับรูทพาเที่ยวดูภูมิประเทศให้ทั่วทีเดียวบัดนี้โลกนี้ทั้งหมดเป็นของเธอแล้ว